ทุกต้นเราก็คงจะพอพึ่งพาสาล่มได้ต้นมะม่วงต้นามะขามต้นไม้ทุกต้นนะแล้วก็มาปลูกใหม่อีกนะมาปลูกใหม่อีกก็ก็เป็นต้นไม้พยุงไม้ดูไม้อ่าซึ่งเป็นไม้ยืนต้นไม้พยองไม้ตะเคียนนะก็มาปลูกแทนป่าภายัาภายเพื่งปาา่าไัยซึ่งเราปลูกไว้ก็น่าเสียดายนะมันก็เป็นขีดเป็นอืตายออกออกดอกของลาตาย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 จริงๆแล้วอาตมามามาจากบางคนก็ยังไม่รู้นะพูดเข้าๆสักหน่อยเวลาคงจะแ ม, ม่ยังเดี๋ยวอยู่เยอะนะก็เริ่มแรกเนี่ยอาตมาก็มาจากกันที่บอกแล้วว่าอาตมามีพ่ออยู่สองคนมีพ่ออยู่สองคนคเกิดจากพระครูสุเทพ ธ, ธรรมกรบวชอยู่ที่นั่นนาซี่ท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชิงเซาว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 โยมสามแถวมันตุกลุกไปแล้วไม่ชี้ทั้งสามแถวเลยพระพระเนี่ยโอ้โหยากนะผู้โยมไม่ได้พระเนี่ยพอปฏิบัติหนักๆเขาหนีหมดเลยวัดเราก็จะเหมือนเขาหรือเปล่ปาไม่รู้นะอตอนปฏิบัติหรือไปลบปฏิวัติก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่ไปเห็ น, นะพระนี่นไม่ไม่ค่อยออกหน้าน ะ, ะสัมภายน์มาเหลืออยู่เจ็ดแปดรูปอยู่กับหลวงพ่อ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 นะจะกลับไปที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่นูน่นะพ่อแม่อยู่ที่ชฉางซาอยู่ที่ประทานก็จะกลับไปที่นูน่นไปอยู่กับพระอาจารย์วิไลนะก็คิดว่าจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกรรมฐานใ ห, ให้มั่นใจตัวเองว่ามันอยู่ได้ทำได้พอมั่นใจปุ๊บจะกลับอพอพอจะกลับมันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่บังเอิญนะในช่วงปีที่สี่ก็มนะีมีคนคนหนึ่งนะที่เขาให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 อตอนแรกหลวงพ่อไม่ได้บอกนะว่าเป็นที่เผาศพก็ยังไม่มีใครกลัวแต่เมื่อคืนนี้แต่พอหลวงพ่อพูดไปมีคนเริ่มกลัวอเริ่มกลัวโอตรงนี้ไม่รู้แน่ะว่าเป็นที่เผาศพอหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อบอกไปอ่าก็เลยกลัวเนี่ยความกลัวของคนนี่ยนะก็ตรงนี้หลวงพ่อเขาทาเป็นลานทําเอาไว้อ่าซึ่งเอาหินเกศหินอ่าที่เราเห็นนะั่นะหละมาปูแล้วก็มาอ่าปฏิบัติกัน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 นาโยมพิคุณอาจีจิรยพันนะเต่าฮะอาจริยพันนะจริยพันนะซึ่งเดี๋ยวก็อยากจะให้โยมพิคุลมาพูดสักหน่อยว่าทำไมสุดท้ายเนะี่ยทั้งตัดเชือกได้ก็อยากจะพูดสักหน่อยอยงางเจ้าภาพซึ่งทำให้งานนี้สำเร็จได้โดยสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อขอเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราประหารแล้ว